2. นิยะสะกรรมเรื่องภิกษุเสยสกะสมัยนั้นท่านพระเสยสกะเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ ชอบอยู่คลุกคลีกับคฤือหัดด้วยการคลุกคลีกับคฤือหัดที่ไม่สมควรทั้งทั้งที่พวกปกตะตะภิกษุก็ให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดและอภานอยู่บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาตําหนิประนามโพนถนาว่าชไหน